ตอนคุณธรรมล้ำเลิศเพราะปัญญาสมัยพระเจ้าอิงจงฮ่องเต้เราวปีพุทธศักราช1979ถึง1992มีขุนโจรก่อกวจะะจนจราจรขึ้นที่เมืองฝูเจี้ยนมีราษฎรและนักศึกษาสนับสนุนขุนโจรกันมากมายฮ่องเต้จึงโปรดเก้าให้ในายทหารคุมทัพออกปราบปรามนายทหารท่านนี้ หาทางจับเป็นขุนโจรได้โดยไม่สูญเสียชีวิตไพ่พลและลาสเดอรเลยต่อมาทางด้านตะวันออกของเมืองฝูเจี้ยนยังมีสมุนขุนโจรหลงเหลืออยู่มากมายในทหารท่านนี้จึงบัญชาให้ขุนนางแท้เจี๋ยในกรมมหาทไทยของเมืองนั้นให้ออกกวัดล้างแทนท่านถ้าจับได้ให้ฆ่าให้หมดสิน้นแต่ท่านเจียไม่ยอมปฏิบัติตาม ท่านกลับให้คนรอบไปแจ้งแก่ราษฎรว่าถ้าใครไม่เข้าข้างโจรก็ให้เอาผ้าขาวแขวนไว้ที่หน้าประตูบ้านในวันที่กองทหารจะเข้าไปตรวจค้นโจรในแต่ละบ้านแล้วสั่งห้ามไม่ให้ทหารคมเห็นราษฎรถ้าบ้านใครมีผ้าขาวแขวนอยู่ก็จะไม่ถูกลงโทษใดๆทั้งสิ้นเป็นนั้นว่าครั้งกันนั้นราษฎรและนักศึกษารอดตายประมาณหนึ่งหมื่นคน ท่านเจียมีคุณธรรมล้ำเลิศต่อมาบุตรชายสอบได้ที่ 1. ได้เป็นจองหวนรับราชการจนได้เป็นใ่เสี่ยงซึ่งเป็นตำแหน่งสูงสุดในราชการฝ่ายบุญและหลานชายของท่านเจียต่อมาก็สอบได้ที่สได้รับราชการเช่นกัน